สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธยาพิบาล น, นะครับในช้าวันนี้เราอยู่ในสุภาษิตบทสุดท้ายของพระธรรมสุภาษิตครับบทที่31แล้วเอาจา์ตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่9สุภาษิตบทที่31ข้อที่1ถึงข้อที่9โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าถ้อยคำของเลมูเอลพระราชาแห่งมัตสาพระชนนีได้สอนคำนี้ไว้ แก่พระองค์อะไรเล่าลูกแม่เอย๋ยอะไรเล่าลูกแห่งท้องแม่เอย๋ยอะไรเล่าลูกแห่งคำปริ ญ, ญาณของแม่เอย๋ยอย่าให้กำลังของเจ้าแก่ผู้หญิงอย่าให้ทางของเจ้าแก่ผู้ทำลายพระราชาใดๆโอเลมูเอลเอย๋ยไม่สมควรที่พระราชาไม่สมควรที่พระราชาจะเสวยเหล้าอางุ่นหรือผู้ที่ครอบครองจะปรารถนาสุลา กเกรงว่าเขาจะดื่มและลืมคำที่ตราเป็นกฎหมายนั้นเสียและวินิจฉัยความของเจ้าทุกข์ให้เขวไปจงให้สุราแก่ผู้ที่กำลังพินาศและน้ำองุ่นแก่ผู้ที่ทุกข์ใจอย่างขมขื่นจงให้เขาดื่มและลืมความยากจนของเขาเพึ่งจะจดจำความรอทมทุกข์ของเขาไม่ได้อีกต่อไปจงอ้า ป, ปากของเจ้าแทนคนใบ้เพื่อสิทธิของทุกคนที่ถูกคิ้งร้างอยู่ จงอาปากของเจ้าพิพากษาอย่างชอบธรรมรักษาสิทธิของคนจนและคนขัดสนให้คงอยู่พินองคาพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งเป็นคุณแม่ของเลมูเอลนักวิชาการหลายท่านบอกว่าเลมูเอลนั้นอาจจะเป็นชื่อของกรรษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นกรรษัตริย์ของอิสราเอลหรือยูดาและไม่มีกรรษัตริย์องค์ใด ที่ใช้คําว่าเลมูเอลในพงศวดานและพงกษัตริย์นักวิชาการบางคนก็แนะว่าเลมูเอลนั้นตามตัวอักษรนั้นหมายถึงอุทิศแด่พระเจ้าชื่อเลมูเอลนะครับตามตัวอักษรภาษาฮีบรูนั้นแปลว่าอุทิศถวายแด่พระเจ้าซึ่งอาจจะเป็นนามปากกาของกษัตริย์โซโลมอนครับแต่ไม่มีหลักฐานดังนั้นครารอ้างอิงว่าใครเป็นคนเขียนนั้นก็อาจจะไม่มีความจําเป็นในด้านนี้แต่เรารู้ว่า ผู้แต่งแท้จริงคือองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งอยู่เบื้องหลังผู้เขียนพี่น้องครับไม่ว่าเราจะคิดว่าเลมัเอลนั้นเป็นใครก็ตามแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเลมัเอลนั้นมีคุณแม่ที่ดีพี่น้องครับวีราบรุษนั้นก็อยู่และมีเบื้องหลังคือสตรีที่ยิ่งใหญ่สตรีที่ยิ่งใหญ่นั้นอาจจะเป็นคุณแม่หรืออาจจะเป็นภรรยา พี่น้องครับคุณแม่ซึ่งเป็นเพศหญิงนั้นก็เป็นผู้ที่สอนครับสอนด้วยความละมุน ล, ละไมในข้อที่สองถามว่าอะไรเล่าลูกแม่เอ๋ยอะไรเล่าลูกแห่งท้องของแม่เอ๋ยอะไรเล่าลูกแห่งคาปริ ญ, ญาณของแม่เอ๋ยพี่น้องครับคำเตือนสติคำสอนนะครับก็เต็มไปด้วยคำตาหนิอย่างรักใครน่ารักมากครับ อะไรเล่าลูกแม่เลย อ, อะไรจ้าลูกแม่เอ๋ยพี่น้องอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเรียกร้องความสนใจจากลูกและได้รับสิ่งที่ลูกตอบสนองมานั่นก็ทําให้คุณแม่นั้นก็มีความสุขครับคุณแม่ผู้มีจุดจิตใจอ่อนโยนคุณแม่ผู้ที่สนใจต่อถ้อยคําของพระเจ้าใช้ความอ่อนโยนดูแลลูกใช้ความรักดูแลลูกนั่นเป็นแม่ที่ประเสริฐ ที่นี่เราจะเห็นนะครับว่าความผูกพันระหว่างลูกกับแม่นั้นตัดไม่ขาดจริงๆลูกแห่งท้องแม่เอ๋ย น, นี่คือเหตุผลประการแรกครับที่คุณแม่หรือพระราชชนนีของกษัตริย์เลามิเอลจะต้องตำหนิจะต้องติจะต้องเตือนประการแรกก็คือว่าเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกที่เป็นเชื้อสายนะครับประการที่2ก็คือ ลูกคนนี้เป็นลูกแห่งคําปฏิญาณครับนั่นหมายคว า, าเหตุผลที่เขาจะต้องสอนลูกคนนี้ดีที่สุดเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาได้ปฏิญาณคล้ายคึงกับพิธีการถวายลูกนะครับหรือทางเพสเบเทเ ร, รียนเรียกว่าเป็นการบัพติศมาเด็กพี่น้องครับการถวายลูกหรือการบัพติศมาเด็กนั้นก็เป็นคําปฏิญาณของพ่อแม่ครับซึ่งกล่าวคําปฏิญาณและรับสิ่งที่ เป็นเนื้อหาสาระของการดูแลลูกฝ่ายจิตวิญญาณในวันนั้นครับที่ลูกรับบัพติศมาศักดิ์สิทธิ์หรือลูกถูกถวายตัววันนั้นแหละครับสัญญาเกิดครับเพราะเขากำลังปริยานและคปาปริยาณของเขานั้นก็เป็นสัญญาที่จะดูแลที่จะชักจูงเขาที่จะเป็นไกด์ไลน์เป็นข้อเสนอแนะเป็นแนวทางที่เขาจะต้องเดินแต่น่าเสียดายครับ หลายละคนเดินบ้างไม่เดินบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดความบกพร่องในชีวิตและครอบครัวของคริสเตียนเพราะฉะนั้นความเข้มงวดของคุณแม่ในทางที่ดีนั้นก็เป็นประโยชน์พี่น้องครับเวลาที่เราตำหนิติเดียนลูกนะครับอย่าใช้ความรุนแรงหลายครั้งทีเดียวเราใช้ความรุนแรงและไม่เป็นพี่ปรารถนาของลูกครับการใช้ความรุนแรงนั้นจะต้องรีบหยุด และทำให้เกิดการเรียนรู้และไม่สามารถที่จะโต้แย้งได้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเรากำลังสอนลูกให้เชื่อฟังเหมือนกับที่เราเองได้เชื่อฟังพระเจ้าต่อไปครับในข้อที่3 4 5 6 7พูดถึงเรื่องของคนที่ขี้เมาคนที่ชอบดื่มสุราพี่น้องครับพระชนนีของผู้เขียนหรือกษัตริย์เลมูเอลนั้น เตือนครับเตือนว่าอย่าให้กำลังของเจ้าแก่ผู้หญิงนั่นหมายความระวังพวกหญิงโสเพณีระวังเรื่องของการล่วงประเวณีการามีชู้มีกิ๊กต่างๆาเหล่านี้นั่นเป็นคุณบัติประการแรกที่จะจันลงไว้ซึ่งบัลลังก์ของตัวเองเพราะฉะนั้นพระราชาจะต้องไม่มีเมียมากนะครับจะต้องมีเมียคนเดียวพูดง่ายๆว่าคือไม่เหสีเพียงคนเดียวไม่สมควรที่พระราชานั้นจะให้กาลัง แก่ผู้หญิงและให้ทางของเจ้าแก่ผู้ที่ทําลายพระราชาในบอดสารนะครับเราจะเห็นว่ามีผู้หญิงที่เก่งๆนะครับนำมาซึ่งการล่มสลายของราชวงศ์เลยครับพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นผู้นําที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของทางเพศที่ไม่มีความรับผิดชอบโดยเพียงิ่งเป็นความบาปครับประการที่2ครับที่ พระราชณ น, นีของเลมเอลได้เตือนก็คือว่าห้ามกินเหล้าเรื่องแรกคือห้ามผู้หญิงอันที่สองคือห้ามกินเหล้าเพราะถามว่าเหล้านั้นทําให้เสียกนครับทำให้เสียกษัตริย์ครับเสียพระราชาเสียตัวของพระราชาเพราะฉะนั้นการที่พระราชาจะเสวยเหล้าองุ่นนั้นเป็นที่ไม่สมควรอย่างยิ่งหรือผู้ที่ครอบครองจะปรารถนาสุราก็เช่นเดียวกันครับมีความหมายเดียวกันคือผู้นํานั้นจะปรารถนาสุลานั้นก็ไม่สมควร เพราะว่าเกรงว่าเขาจะดื่มและลืมคําที่ตราเป็นกฎหมายนั้นเสียมีแนวโน้มครับว่าพวกที่ทํางานบริหารพวกที่เครียดหาทางออกไม่ได้มักจะลงที่แก้วครับแก้วเหล้าเพราะฉะนั้นการที่ผู้นําจะเข้าไปอยู่ในแก้วเหล้านะครับหรือจะให้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์นั้นมามีอิทธิพลเหนือเรานะครับเราเองก็เป็นผู้นาไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราอาจจะพูดออกมานะครับหรืออาจจะลืมไป หรืออาจจะพูดตอนเมาสิ่งเหล่านั้นไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญใช่หรือไม่หากใช่แสดงว่าหากว่าเรายังไม่สั่งเมาการตัดสินใจของเราหรือเราวาเราเป็นแอลโกอฮอลิกการตัดสินใ จ, ใ, จใจของเรานั้นก็จะมีปัญหาครับอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้นาความหายานะมาสู่องค์กรของตัวเองมาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองของตัวเองพี่น้องครับ ในข้อที่5ชัดเจนนะครับบอกว่าเกรงว่าเขาจะดื่มและลืมคำที่ตาเป็นกฎหมายนั้นเสียและวินิจฉัยของเจ้าของเจ้าทุกจะแขวะไปนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ยืนอยู่บนหลักการความเป็นจริงความถูกต้องแต่พิภาคษาไปด้วยฤทธิ์อำนาจของจุฬาหรือบางสิ่งบางอย่างที่ครอบงำเขาอยู่ต่อไปครับข้อที่6จนถึงข้อที่9ครับ ได้พูดถึงว่าการให้สุราแก่ผู้ที่กำลังพินาศนั้นมีความหมายว่าเราไม่ได้จงใจให้ร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีครับแต่ว่าให้ให้สุรานะครับเป็นของผู้ที่มีกำลังพินาศครับและให้องุ่นแก่ผู้ทุกข์ใจอย่างขมขื่นนะครับให้เขาดืมได้ลืมความยากจนของเขาเพื่อจะจดจำความทุกข์ระทมของเขาไม่ได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าเวลาที่คนเครียด มักจะดื่มเหล้าเวลาที่มีความสุขก็มักจะดื่มเหล้านะครับเวลาที่ไม่มีทั้งสองอย่างก็ดื่มเล่นๆดื่มพอเป็นกระใสพี่น้องครับนี่คือคนไทยเราและก็เป็นตัวแทนของมนุษยชาตินะครับที่ตกต่ำลงโดยที่ชีวิตของเราหลายหลาคนอาจจะว่างเกินไปครับและเขาก็ได้หันไปสู่อาบายามุขที่ทำลายชีวิตของเขาเองข้อ8ข้อ9ครับ เป็นประการที่3ที่พระัชชนนีของเลโมูเอลนั้นได้สั่งเสียไว้ได้สั่งสอนไว้ครับก็คือจงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบ้หมายความว่าไรครับหมายความว่าคนใบ้นั้นเขาพูดไม่ได้นะครับเขาต่อล้อต่อเถียงไม่ได้เขาแก้ต่างในศาลไม่ได้เพราะฉะนั้นกษัตริย์มีหน้าที่ที่จะฟังนะครับฟังฟังอะไรครับฟังสิ่งที่คนใบก้กำลังจะสื่อสารคือเป็นอัจนะภาษา ไม่ว่าจะเป็นการเขียนไม่ว่าจะเป็นท่าทางมือนะครับที่นี่บอกว่าจงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบ้หมายความว่าให้พระราชานั้นเป็นทนายแก้ต่างให้กับคนใบ้ครับนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากําลังให้การดูแลคนพิการให้การดูแลคนยากจนยากไรให้การดูแลของคนที่ไม่มีไม่มีความสะดวกสบายในโลกนี้ถามว่าทำไมครับเพราะว่าพระเยซูกิดนั้น ได้เคยเสด็จมาในโลกนี้และเป็นคนขัดสนเป็นคนยากจนเป็นคนที่เจ็บป่วยเป็นเหมือนกับคนจนครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจงอ้าปากพิพากษาคนเหล่านี้อย่างถูกต้องชอบธรรมยุติธรรมครับรักษาสิทธิ์ของคนจนและคนขัดสนให้คงอยู่ตลอดนี่คือสิ่งที่พระชนนีของลามิเอลนั้นได้สอนนะครับผมอยากจะสรุปให้ฟังนะครับ สอนเรื่องอะไรบ้าง 1. คือเรื่องของผู้หญิง2คือเรื่องของสุาลสามีไลสคือเรื่องของการดําเนินความยุติธรรมให้ปรากฏกับประเทศชาติบ้านเมืองขอพระเจ้าช่วยเรานะครับไม่ว่าเราจะเป็นผู้นําองค์กรหรืออะไรก็แต่ในระดับไหนพี่น้องครับเราจะต้องอย่าลืมอย่าทําให้ตัวเองเสียหายนะครับโดยการที่ทาบาปนะครับ ต้องระวังผู้หญิงอันที่สองก็คือต้องระวังเรื่องเล่าสูลาเมัยอันที่สามก็คือว่าเราจะต้องช่วยเหลือคนจนครับเราจะต้องให้ความยุติธรรมกับคน ย, ยากจนคนขัดสนอาเมน